เดี๋ยวนี้เวลาหลวงพ่อจะเทศอะไรที่ยากๆนะจะเทศรอบเช้ารอบสายไปตรวจกันบ้านรอบสายเนี่ยถ้าเทศอะไรลึกซึ้งน่าหลับกินข้าวแล้วไม่มีกำลังเวลาตรวจกันบ้านเ็จะตื่ น, นเต้นไหยอ้าทีมเชียงใหม่ส่งกันบ้านเชิญคนอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนช่วยส่งไปไหนนะครับ ก, การนับมาสการครับคืออย่างที่เคยกับเรียนหลวงพ่อไว้ว่าเวลาเข้าฌานแล้วเขเข้าไปดูสภาวะเนี่ยนะครับ เ, เขาไปดูสภาวะปิติกระสุขเนี่ยมันก็จะเห็นไอ้สภาวะที่มันมันสิ้นไปสิ้นไปอยู่นะฮะสิ้นไ ป, นไปแต่ว่าเวลาที่เข้าลึกไปเนี่ยมันอย่างเวลาเข้าไปจนกระทั่งถึงลมมันหยุดแล้วเนี่ย มันจะเห็นสักความนิ่งอย่างเดียวแล้วแม้จะดูกลับมาดูเวทนามันก็จะเห็นอทุกขภวะสุขนั่นแหะแต่ว่ามันก็มันเหมือนกับมันมันมีอยู่งั้นตลอดไปนะต ร, ตรงนั้นเราไม่ทำมิปัสนาละครับพอจิตเคลื่อนจากตรงนั้นเราถึงจะเห็นว่าอทุกขภาสุขก็ไม่เที่ยงครับก็เคลื่อนจากตรงนั้นกันมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่อยู่สักสองเดือนมาได้แล้วเนี่ยพอดูไปดูไปก็ มันมันเหมือนก็คือขณะนั้นมันไม่มีตรึกนะฮะมันไม่มีตรึกมันไม่มีไอ้ปรงแต่งฮะแต่ว่ามันมันรู้สึกเหมือนไปรู้ไปเลยว่าแม้แต่ไอ้ไอ้ไอ้อทุกขมาสุขเนี่ยไอ้ที่เห็นว่านิ่งๆเนี่ยมันก็มันก็อยู่เป็นกระแสของความสิ้นไปสิ้นไปเรื่อยๆนะมันเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้สายชนวนที่มันติดไฟฮะมันคือตอนแรกมันดูเหมือนมันเที่ยงแต่ว่ามันมันก็สิ้นไปสิ้นไปของมันอยู่เรื่อยๆ แต่มันเป็นเฉพาะเฉพาะตอนนั้นนะฮะพอตอนหลังๆ ม, ม, มันก็มันก็มันก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นอย่างนั้นมันมันเห็นได้เองมันเห็นของมันเองขาดีแล้วอย่างนั้นครับผมเราเห็นได้อย่างนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็ไม่ค้นคว้าครับตอนถ้าไม่เห็นนะตอนจิตถอยออกจากฌานแล้วเราค่อยรู้เอาครับตอนนั้นถือว่าพักผ่ อ, อนไปครับถ้าทําฌานชำนิชํานาญแล้วเราดูจิตชำนนี้ชํานานเนี่ยเราดูต่อได้ ครับผมกระทั่งเราไปเกิดในอรูปปลมนะไม่มีร่างกายมีแต่จิตอันเดียวนี้แหละก็ยังเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เห็นกระแสของมันนะครับเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นใช่ได้อยู่มันเป็นรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นกระแสที่สิ้นไปแต่มันยังไม่เห็นมันยังไม่ชัดว่าเป็นเกิดดับนะฮะตรงที่เห็นกระแสที่สิ้นไปนั้นดีกว่าเห็นเกิดดับอีกครับตัวนั้นเลยเลยขั้นที่เห็นเกิดดับไล ตอนนั้นเห็นแต่ความดับไปดับไปดับไปตอนแรกพอถอยออกมาแล้วนะกับผมก็ยังไม่แน่ใจครับคิดว่าเอ๊ะนี่เราโดนหลอกหรือเปล่าวะไม่หลอกนะเราเห็นความดับคือเห็นเกิดดับเนี่ยมันเบื้องต้นก็เห็นมากเข้ามากเข้ามากเข้าเราเห็นแต่ความสิ้นไปเรื่อยครับเห็นในความดับไปดับไปเลยมันเห็นอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวนะเหมือนเหมือนไอสายชนวนถุงจุดไปนะสั้นเข้าสั้นเข้าแบบนั้นนั่นแหละเรียกว่าพังขยาน พังขยานอยู่เลยอุทยรปยายานที่เห็นเกิดดับไปครับนะดีแล้วว่าง่างว่างหายไปนานคนนี้กราบนวัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกแข่มชื่นมีความสุขมากขึ้นเจ้าค่ะที่ภาวนาดีนะดีมากๆเลยเโยมช่วงที่ขาดหายไปไม่มีโอกาสได้มานี่ปลีกอยู่บ้านโดยลาพังเจ้าค่ะ แล้วก็ก็แต่น่าจะดีนะเพราะว่าดีกว่าก่อนเจ้าค่ะครุกครีกับหมูไม่ดีหรอกหมูหมูของเราพูดมากก็ขอกลับขอบประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะนะภาวนาใช้ได้แล้วละภาวนาดีแล้วนั่นแหละภาวนาอย่างนั้นเห็นั้นโลกธาตุนี้ว่างเปล่านะเราเห็นโลกธาตุนั้นมันมีอยู่แต่มันว่างเปล่าเห็นทุกอย่างทุกอย่างไม่มีเราเลย ฝึกต้องให้ได้อย่างนี้ดีแล้วนะอาเชิญกราบนมรดการของพ่อค่ะระยะนี้ก็รู้สึกว่าจะรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจตัวเองว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะดีแล้วนะค่อยปล่อยปล่อยให้เขาเป็นไปเองรู้สึกก็ได้ไม่รู้สึกก็ได้อะไรอะไรก็ได้ให้หมดเลยอะไรอะไรก็ได้หมายถึงว่าสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ร้ายก็ได้ ก็แค่เห็นว่าตู้อย่างมาเราไปตู้อย่างไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆดีละพันภาวนาไม่ได้ภาวนาอาดีอะไรหรอกภาวนาจนใจเราหมดแรงดิ้นยอมรู้สึกไหมมันหมดแรงดิ้นก็โล่งขึ้นมาสิมันดิ้นมันก็มืดๆมัวๆไปมันต้องอย่างนี้ถึงจะใช้ได้เอาใครจะยกมืออส่งมาข้างหน้ามาส่งมาข้างหน้ามาอีกมาอีก กล่าวในมรดกการหลวงพ่อนะครับคือผมอฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกที่มาก่อนครั้งก่อนกอผมเคยทําวิปัสนาสายดูไก่นะครับมาก่อนแต่ว่าตอนทำเนี่ยรู้สึกรู้สึกจริงๆเลยว่าค่อนข้า ง, างเกรงค่อนข้า ง, างไปไปเพ่งมากๆซึ่งก็เข้าใจว่าเราคงทําผิดคงไปทําให้ถูกตามที่ พระอาจารย์ท่านท่านอื่นๆสอนคร น, นี้ก็เลยลองมาดูสายดูจิตคร น, นี้ก็คิดว่ามันทําง่ายขึ้นแต่ว่ามันก็หลุดฟุ้งบ่อยขึ้นก็คือบางครั้งก็กําหนดได้ดีบางครั้งก็ฟุ้งไปแบบไม่รู้สึกตัวเลยก็เลย อ, อาจจะเข้ากับตัวอย่างที่พระอาจารย์พูดตอนอตอนแรกว่าอาจจะเป็นพวกที่แบบหาเสห์หา หาตำาหาอาจารย์หาสํานักอยู่ตอนนี้เลยอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำ า, า น, นึ่นึถ้าเราศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชัดๆเนี่ยนะการเพ่งกายหรือกระทั่งการเพ่งจิตก็เป็นสมถะผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งนะทุกสํานักเลยหาคนที่จะมีสติรู้สึกตัวหาคนที่จะตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยนับตัวได้เลย ที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าว่ามันเพิ่มามากยุคเรานี้แหล ะ, ะที่พวกเราตื่นกันขึ้นมาได้เป็นร้อยเป็นพันคนขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือเพ่งเอาไว้หลวงพ่อก่อนจะบวชนะเที่ยวตะเวนไปตามสำนักต่างๆเยอะมากเลยสำนักที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนไปดูเขาดูๆแล้วโอ้ไม่ใช่นี่มีแต่เพ่งกับเพ่งรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องพองยุบ ก, ก็เพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ า, ทารู้มือเพ่งมือนะ รู้กายทั้งกายก็เพ่งมันทั้งกายเลยมีได้เรื่องเพ่งหรือไปดูเวทนาบางคนนะไปดูเวทนาอยากจะข้ามเวทนาให้ได้เวทนานะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูนะเราต้องดูให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ดูเพื่อเอาชนะมันหรือบางคนไปเพ่งจิตอยากจะให้เลิกคิดเลิกนึกอยู่ในความว่างเห็นไหมเส้นทางที่ผิดนี่เต็มไปหมดเลยมันเกิดจากการเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เนี่ยในภาษาปริยัติเรียกว่าอารามณูพนิชฌาน อารัมมณูอารัมมนะนะแล้วก็ปนิชานคือการเพ่งตัวอารมณ์นี่คือการทําสมถกรรมฐานเกือบทั้งหมดนะตัววิปัสสนากรรมฐานนี่มีชื่อว่าลักขณูปนิชานการที่เราไปเห็นเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณนะ์นั้นจะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยต้องอย่าไปเพ่งเอาถ้าเพ่งตัวอารมณ์แล้วมันจะนิ่งๆอารมณ์ไม่เคลื่อนไหวเหมือนสมมุตินี่เป็นกระต่ายสักตัวหนึ่งนะหรือแมวสักตัวมันวิ่งไปวิ่งมานะ เราไปเพ่งมันคล้ายๆเราไปกดไปอย่างเงี้ยมันกระดุกระดิกไม่ได้มันแสดงใจรักณ์ไม่ได้นี้พอเราไม่เพ่งอะไรจะเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้เคยถูกกดมานานพอเลิกกดนี่นะจะหนีหนีหนีหนีหไปงั้นพวกที่เพ่งเก่งๆเนี่ยพอเลิกเพงนะ่งเนี่ยจะฟุ้งซ่านสุดๆเลยจะรู้สึกตัวยากมันคิดออกเปี้ยนะว่าไปบังคับมันไว้นานลนะ <c oughs> หน้าที่เราก็คือพยายามรู้สึกตัวไป อาจจะมีเครื่องอยู่อะไรสักอันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ติดเพ่งรุนแรงมาก่อนนะจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวตั้งสมมุติว่าบางคนท่องพุทโธเอาพุทโธเป็นตัวตั้งพุทโธแล้วไม่ใช่บังคับจิตให้ไปอยู่ที่พุทโธพุทโธแล้วจิตไปอยู่ที่พุทโธนี้ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้พุทโธเราก็รู้ทันเห็นจิตหนีไปหนีมาเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิต ด, ดีจิตร้ายพุทโธไว้เป็นตัวตั้งเพื่อจะดูจิต บางคนถนัดรู้ลมหายใจถ้าไม่ไปเพ่งใสาลมหายใจนะเรารู้จิตเอาลมหายใจเป็นตัวตั้งแล้วมารู้จิตเช่นจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้จิตไปคิดเราก็รู้จิตไปทําอะไรเราก็รู้จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายรู้ไปเรื่อยรู้จิตเอาลมหายใจเป็นแบ็กกราวไว้เอาพุทโธเป็นแบ็กกราวเอาลมเป็นแบ็กกราวคนไหนถนัดดูดพองยุบโดยที่ไม่ได้เข้าไปเพ่งท้องนะก็เอาพองยุบเป็นแบ็กกราว นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเนี่ยไม่ว่ากรรมฐานอะไรนะถ้ามันเนื่องด้วยกายด้วยใจของเราเราก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติได้ทั้งหมดถ้าเรามีเครื่องมือเครื่องสังเกตไว้อันหนึ่งคล้ายๆเป็นที่สังเกตเป็นที่หมายถ้าจิตไหลมานี้ก็รู้จิตไปก็รู้เนี่ยนี่ส่วนเราจะเห็นจิตได้ชัดเจนถ้านะฝึกอย่างนี้น้ําจะไม่เผลอนานแต่ถ้าอยู่ๆก็ปล่อยทิ้งทั้งหมดเลยนะอย่างนี้เรากวดไว้นานแล้วคันนี้เตลิดเปิดเปิงไปหลงไปทั้งวันนึง นะ ค, ค่อยฝึกเอาคณิสําหรับคนที่ทำเหมือนกับทำในรูปแบบไม่ค่อยได้คือทับไม่ค่อยมีสมาธิอะไรอยงนี้ครับหรือว่าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วกลุ้มใจหรือสบายใจสบายใจครฟังซีดีหลวงพ่อไปเครื่องอยู่ฟังไปแล้วก็ดูจิตของเราไปบางตอนหลวงพ่อก็พูดให้ขำๆใช่ไหมพอพวกเราง่วงก็ต้องพูดให้ตลกไว้หน่อยพอช่วงไหนหลวงพ่อพูดธรรมะใจของเราผู้ฟังก็ชักซุมๆเนี่ย เราก็ฟังไปเราก็เห็นเลยใจเราเปลี่ยนเวลาหลวงพ่อชี้หน้าใครสักคนนะในซีดีบเผลอไปแล้วรับรองว่าคนที่กำลังฟังเนี่ยกาลังเผลออยู่นะตรงกันเป้เลยนี่เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะนะ <c oughs> รับรองไม่มีพลาดหรอกเราะฉะนั้นเราฟังซีดีไปแล้วเราก็ ส, ง, สงเกตใจไปนะวันไหนกำลังคารก็อย่าฟังวันไหนฟังแล้วสบายใจก็ฟังไม่ต้องฟังให้รู้เรื่อง นะวิธีฟังซีดีหลวงพ่อไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องก็ได้การฟังให้รู้เรื่องเรียกว่าการเรียนปริยัตินะฟังเล่นๆไปนะ่ะเดี๋ยวจิตมันสนใจตรงไหนมันจะรู้ขึ้นมาเองมันจะมาสนใจรู้เองตรงไหนที่มันรู้แล้วมันก็ฟังผ่านๆไปนะมันก็ดูจิตดูใจทํางานไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เสียเวลานะเรียกว่าฟังในเชิงปฏิบัติอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมนะแล้วพอหลวงพ่อบอกตอนนี้ปุ๊บมันเพ่งปั๊บเลยรู้สึกไหมนะให้รู้ทันไปเรื่อยๆนะ อาคุณต้นเชิญครับต้อเรียนรู้มาอย่างหนึงครับหลวงพ่อตอนฟังหลวงพ่อเทศเไงครับรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบ้างอ่มันต้องอย่างนั้นแต่พอ ถ, ถึงธรรมะมันถึงตรงนั้นมันเสียงหลวงพ่อจะเข้ามาในใจมันจะปิะ้งขึ้นมาเองนะอย่าว่าแต่มาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อหรือระหว่างที่เปิดซีดีเลยแล้วเราไปทําอะไรอยู่ที่อื่นนะเวลาธรรมะนั้นถึงใจเรารบางทีได้ยินหลวงพ่อเทศเลยใช่ใช่ หนูสังเกตว่าเวลาหนูหลงอะค่ะพ่อหนูบางครั้งจะเห็นอัตตาของตัวเองมันขึ้นมาให่ใแทรกอยู่รู้สึกไม่น่าเกลียดนะใช่ <laughs> มันจะแบบ ท, ทั้งที่กริยาการเราใช้มาตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยมันแทรกขึ้นไหมเห็นนะคะมันแล้วจริงๆไม่ว่าเราจะทําอะไรนะก็ เ, เพื่อถนอมรักษาอัตตาตัวตนนี่แหละเรากลัวอัตตาตัวตนจะหายไปจากโลกนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกลัวตัว ต, วตนจะหายไป นั่นจะต้องพยายามรักษาสุดชีวิตเลยถ้าเมื่อไหรมีใครมาช่วยเรารักษานะเราจะภูมิกภูมิใจอย่าว่าแต่คนเลยหมาก็เป็นนะหลวงพ่อมีหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อนายแม้นหมูหรือทิศเหลืองนะในคนนี้เวลาเขาเดินผ่านถ้าญาติยมเห็นแล้วลองเรียกเลื้ลยงอะไรเนี่ยเขาจะนิ่งๆ น, น ะ, ะเขาจะหูหางไม่กระดิกอ่ะใครเรียกก็เเลื้ยงแต่ใจเนี่ยพองนะมันคืออะไรคือการประกาศว่าฉันยังอยู่ ฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ยงั้นไม่ว่าเราภาวนาหรือเราทำอะไรก็ตามนะมันประกาศว่าฉันยังอยู่อยู่ที่รู้ทันนะถึงจะหมดชั้นลงไปได้กระทั่งตั้งอกตั้งใจเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำอบางทีก็เพื่อประกาศอัตตานะไปดูให้ดีทำอะไรก็มีอัตตาแทรกอยู่ทั้งหมดเลยอย่างครูบาอามีอยู่คราวหนึ่งตามหลวงพ่อไปตอนนั้นจะไปสาราหลวงชินบ้งไปแวะฉันที่มอเตเวย์ อาชันเสร็จแล้วมีทิชนะทชู่นะ ท, ทิชชู่ทําทิชชู่ปั้นกลมๆโยนลงถุงปุ๊บโยนปุ๊บไปเห็นเลยตรงที่ปั้นทิชชู่นะนี่ก็กูเก่งนะโยนนี่ก็ปูเก่งนะ <c oughs> <c oughs> แค่แค่ทิ้งทิชชู่นะทิ้งขยะนะอัตตาตัวตนยังแทกเข้ามาเลย <c oughs> นเะนี่นพวกเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกทําอะไรก็อัตตาตัวตนแทกทั้งนั้นนะอยู่ที่รู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนะ่ ทุกสิ่งที่ทําแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมก็ทําเพื่อสนองกิเลสทั้งสิ้นเลยอย่างที่อาจารย์มหาบัวบอกว่าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยเพราะว่าจริงๆทําเพื่อเซิร์ฟมันแต่ถ้ารู้ทันใจตัวเองนะอย่างแจมแจ้งไปเรื่อยเห็นไหมจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งนะไม่ได้สนองกิเลสกิเลสแทรกเข้ามารู้ทันแทรกเข้ามารู้ทันความเป็นตัวตนไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาดูออกแล้วใช่ไหมความเป็นตัวตนเกิดขึ้นเป็นคลาล์เกิดเมื่อไรเกิดเมื่อหลงคิด ต้องหลงคิดนะหลงดูอยู่นี่ยังไม่คิดเนี่ยตัวตนยังไม่เกิดนะนั้นมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาพอเราไม่รู้เราก็พอมันผุดขึ้นมาแล้วก็ภูมิภูมิใจนะบางคนเคยเห็นไหมขี้โมโหแล้วมาเล่าด้วยความภูมิใจว่าดิฉันเวลามโมโหเห็นช้างเท่าหมูฮ่าฮ่อย่างเงี้ยนะเนี่ยยมันเสริมอัตตาตัวตนทั้งสิ้นเลยนกระทั่งมีกิเลสใช่ไหมก็กูเก่งอีกละ หรือบางคนพวกเด็กสาวๆชอบเป็นมากเลยนะสวมวิญญาณนางอีกสวมวิญญาณนางเอกชอบคิดจินตนาการอะไรให้มันเศร้าๆแล้วแสบๆเจ็บๆอยู่ในใจเนี่ยชอบมากเลยมันเพื่ออะไร<ม>เพื่อประกาศว่าฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่นะน ย, ยนะทําแล้วหน้าทุเรศนะทำสนองกิเลสนะอะจะทําทนะทําอย่างนั้นเป็นการฝึกตกนรกนะออาว่าไปค่ะ จะเห็นตัวมานะอัตตาเนี่ยค่ะหลวงพ่อบ่อยมากขึ้นนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะเวลาที่คนเนี่ยสี่คนนี้ไงที่หลวงพ่อบอกสี่คนนี้นะรวมคนนี้ด้วยจะเห็นอัตตาเวลาที่แบบว่าจะเวลาจะดุคนงานหรือจะอะไรเนี่ยมันจะมีท่าหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะเพราว่าแบบจะแจ้งเนี่ยมีอีกแล้วใช่ไหมจะคุยกับหลวงพ่อมันยังมีอัตตาใช่เขามันจะแบบขึ้นมาอย่างนี้ค่ะบอกว่ามันจะแบบว่าฉันเป็นคนดีนะ ทำจริงร้ายหน้าดูเลยใช่คือมันมีจุดหนึ่งเคยจะแบบว่าโอ้โหทำไมตัวนี้มันมันน่าเกียดมันไม่ใช่น่าเกียดหรอกเพราะมันน่ารังเกียจเลยอะค่ะมันแย่มากๆมันถึงขั้นน่ารังเกียจแต่เราสะสมของเราข้ามพบข้ามชาติมาอย่างนี้เราไม่เคยเห็นมันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรนะก็เพื่อมันทั้งนั้นะอย่างเราไปทําบุญทําทานนะก็เพื่อตัวนี้นะเพื่อตัวเนี้ยเสริมอัตตาเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นสวรรค์ม้างเราจะได้คนเขาเห็นเราเป็นคนดีบ้างอย่างเงี้ย หรือว่าเราอย่างนี้แหละเราได้เสียสะละเพื่อเราจะได้ไปนิพพานไม่มีเราซ่อนอยู่ไม่ว่าทําอะไรนะกระทั่งทําดีๆนั้นอยู่ที่รู้ทันความปรุงแต่งเข้าไปเลยเนี่ยครับแต่ลกหนังมันแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเหมือนเริ่มรู้สึกว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็เหมือนมันบังคับไม่ได้มันเกิดของมันเองจริงๆแม้กระทั่งจะ จะนั่งสมาธิจะให้สงบมก็ทําไม่ได้จะไปรู้แค่ลมหายใจมันก็ทําไม่ได้จะไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้มันถ้าได้มันได้ของมันเองเออนีมันไม่อยู่ในอานาจนั่นแหละคือคําว่าอนัตตาเวลามันปรุงตัวปรุงตนมันก็ปรุงเองรู้สึกไหมเพราะมันเคยชินที่จะปรุงแต่คนสั้งหลายเนี่ยจิตมันปรุงตัวปรุงตนปรุงภพปรุงชาติขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันก็ไปติดอยู่ในภพมันนั้น คล้ายๆเมื่อก่อนหลวงพ่อเทศเรื่องหมูกระดาษจริงๆหมูกระดาษไม่มีเอากระดาษมาแปะๆเนี่ยจอยเขาบอกวอย่าเรียกหมูกระดาษเชยให้เรียกเปเปอร์มาเช่เราโอ๊ยเช่เชอะไรฟังไม่ออกฟ <c oughs> ั้นออกมานะจนกลายเป็นหมูตัวหนึ่งได้แต่พอเรามีสติมีปัญญาเราไม่พอกกระดาษเข้าไปเราค่อยดูไปนะกระดาษหลุดไปหลุดไปนะในที่สุดตัวแท้มันก็ปรากฏตัวแท้มันเป็นความว่างเปล่า ไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกเนี่ยหลวงพ่อเทศเรื่องนี้แหละแม่ชีนี่ปิ้งขึ้นมาเทศบอกจริงๆตัวเราไม่มีจริงๆตัวเราไม่มีคือมันมันเหมือนกับว่ามันรู้ว่ามันทําอะไรเกินกว่ารู้แบบหลวงพ่อพูดไม่ได้ไม่ได้จริงๆคือมันคือแค่คําว่าทำเนี่ยคือแค่มีคําว่าทำมันก็ไม่ได้แล้วใ่แต่ว่าก็ไม่วายจะทําอยู่ดีคําว่าทำนั่นก็คือคําว่าพบนั่นเองคคําเดียวกันเลยะคําว่าทำทั้งหลายนั่นคือคําว่าพบ คำว่าพบพอสำเพอพอผ่านเนี่ยนะที่ว่ามีพบมีชาติมีทุกข์คำว่าพบมาจากคำเต็มๆว่าคำว่ากรรมมพบคือการกระทํากรรมของจิตนั่นเองมันคือเกิดการกระทํากรรมเมื่อมีเจตนาเห็นไหมเมื่อใดเราจงใจแม้กระทั่งจงใจปฏิบัติธรรมนะก็คือเจตนาเจตนาขึ้นมาก็เกิดการเสแส้งปฏิบัติขึ้นมา แล้วมันก็เกิดตัวเราผู้ปฏิบัติขึ้นมาเกิดภูมิอกภูมิใจว่าฉันเป็นนักปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยกระทบเปลือกมันนะฉีกหน้า ก, กากมันเข้าไปจน ว, วันหนึ่งเห็นตัวจริงตัวจริงไม่มีเอาว่าไปคนนี้ชื่ออะไรลืมลนะชื่อโปรครับเออโปภาวนาดีชื่อนี้จํายากนะมันใช้การทนันเอาว่าไปคือหลวงพ่อพอดีสงสัยนะครับพอดีแต่ก่อนเวลาดูมันจะรู้สึกว่า เฮ้ยมันทํางานของมันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เดีนี้เวลารู้มันจะรู้แบบคือมันก็รู้ไปเฉยๆครับมันจะไม่รู้สึกว่าเออมันทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้มันเป็นการรู้ที่ใจมันเฉยไปนิดนึงครับนะใจมันเฉยไปนิดนึงแล้วได้รู้นันเดียวมีสติแต่จิตไม่เดินปัญญาครับอมให้รู้ทันว่าจิตมันเฉยถ้ารู้ทันนะเดี๋ยวมันไม่มันหายเฉยไปแล้วมันจะเดินปัญญาครับ เวลาที่เราภาวนาเนี่ยไม่ว่าใครนะอย่างเราเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งนะมันเหนื่อยมันจะพักพอมันพักเนี่ยเราเราไม่รู้นะมันเฉย่ฉยเปอย่างนั้เงราะฉะนั้นถ้ามันพักที่ดีคือพักในฌานอย่างคุณดําเกิงออกมาแล้วเดินต่อเลยอันนี้ปล่อยดูไปเรื่อยเมันหมดแรงแล้วมันหยุดเองแล้วพอหยุดแล้วถ้านี้พอตามรู้นะมันจะเนือยเนืยเนือยเไปเรื่อยใช่มันรู้สึกมันไม่ค่อยอ่าคือมันมีความสุขอยู่แต่ว่ามันมีความสุขโง่โงรู้สึกไหมสุขอย่างโง่ๆง่เฉยเฉย ให้รู้ทันว่าใจมันเหนื่อยเหนื่อยไแล้วมันจะหายเลยขอบคุณครับนี่บอกให้หมดเลยนะเนี่ยมีการบ้านอะไรเฉลยให้หมดเลยทุกข้อสมัยหลวงพ่อครูบาอาจารย์ไม่มีช่วยเลยนะต้องช่วยตัวเองทุกอย่างเลยท่านบอกให้แต่หลักกว้างๆยิ่งหลวงปู่ดูลนะัเป็นพตาที่สอนแบบชี้แลนด์มาร์กโน่นไปทางโ น, น้นเดี๋ยวเจอต้นต้นยางต้นหนึ่งอะไรเงี้ย สอนอย่างนี้โอ้ยเราคลาแทบตายแนตะ่กว่าจะเข้าถางได้เอา้าใครจะยกมือเชิญอาจารย์อามยกไวแล้วไปแม่ชีนะเอา้าอามว่าไงอาม อ, อย่าไปดันมันขึ้นมาไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่หมายถึงไมโครโฟนรวมพ่อไม่สนใจไมโครโฟนหมายถึงจิตครับรู้สึกไหมไปดันมันนิดหน่อยครับ หลวงพ่อครับที่หลวงพ่อเทศว่าเมื่อเช้าเกี่ยวกับเรื่องทํำยังไงจะดีรู้<ด>รสึกไหมว่าแกล้งทําเสียงหลอไม่รู้สึกเลยครับอ่าว่าดไปที่ทําเสียงให้มันทุเลศกว่านี้หน่อยปกติเลยครับอ้าว่าดไปก็ <c oughs> ที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้าว่าถ้าทํำยังไงถึงจะดีทํายังไงจะถูกนั้นก็ต้องคือผมก็มีความรู้สึกวก็ต้องไม่ทําอะไรมันถึงจะดีเออไม่ทําอะไรนะไรั่นแหละดี แต่ย่าไปทําความไม่ทําขึ้นมามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าครับพวกทกวําความไม่ทําเนี่ยเช่นพวกชาวเชียงใหม่แต่ก่อนเนี่ยจะไปอยู่กับความว่างเนี่ยทำความไม่ทําขึ้นมาอย่างนั้นใช้ไม่ได้มันก็ทําอีกแหละอาจารย์อามดูออกไหมจิตไหลไปไหลามาใช่ครับจิตไหลไปไหลามาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยให้รู้ทันอย่างเนี้ยตอนที่กําลังพูดกับหลวงพ่อก็หลงให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆหลงที่ไหรก็รู้หลงที่ไหรก็รู้ไปเรื่อย เอาลองวางไม้สิส่งให้แม่ชีไปเอาคุณผู้หญิงนู้นนะช่วยรับไม่ให้แม่ชีหนะ่อยแม่ชีเหรือไปรับของกับผู้ชายนะอา่าว่าไปกับนวั ก, กรรมหลวงพ่อค่ะได้มาเป็นครั้งที่สองค่ะแต่อยู่ที่วัดก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อด้วยค่ะก็พยายามตามดูเดิมทีจะดูกายแล้วก็ใจด้วยพอได้ฟังของหลวงพ่อก็จะเห็นเข้าใจในการดูจิตใจมากขึ้นค่ะ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำถูกนะที่ดูอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่รีบร้อนคิดว่าชีวิตเนี่ยเราถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วถ้าคิดอย่างนี้ซะไม่รีบร้อนหรอกแต่เราดูของเราไปเรื่อยๆดูสบายๆดูไปทั้งวันเลยดูไปทุกๆวันนะอย่างนี้ล่ะเร็วแต่ถ้าคิดว่าอุ้ยต้องรีบรีบจะได้บรรลุเร็วๆพวกนี้จะไม่มีวันบรรลุเลย หวงพ่อคะเวลาทุกครั้งที่เหมือนมีสติแล้วกลับมาเห็นที่จิตใจเนี่ยจะเห็นลมไปด้วยอันนี้คือเครื่องอยู่ใช่ไหมเห็นอะไรนะเห็นลมหายใจลมเป็นเครื่องอยู่แม้ตัวหลักที่เราเห็นก็คือจิตลมมันเป็นเครื่องอยู่เป็นแบ็กกราวน์เป็นฉากหลังให้เห็นตอนแรกก็แปลกใจเพราะเข้าใจว่ามันจะต้องเห็นได้แค่อย่างเดียวรู้สึกไหมพูดตอนเนี้แฝงความดีใจเข้าไปด้วยเออนะอย่างนี้นะรู้ลงไปนะเนี่ยแกล้งทําคลึ่มแล้วรู้สึกไหมแล้วก็ความอยากพูดผุดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ย ดูออกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆละเอียดเนี่ยค่อยๆฝึกไปค่ะะเคยมีอยู่วันหนึ่งที่เออบางครั้งที่พอเราได้อยู่กับตายกับใจเราไปเรื่อยๆร่ะค่ะแล้วรู้สึกสงบดีคือเหมือนกับพอจะคิดอะไรหรือจะพูดอะไรมันก็เห็นตรงนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครกลัวว่ามันจะติดสมถะหรือว่ามันจะซึมยังยังไม่ติดนะค่ะมาให้หลวงพ่อเห็นหน้าเป็นช่วงช่วงแล้วกันนะติดแล้วจะบอกให้ขอบคุณค่ะ อีกคําถามนึงได้ไหมคะคือเวลาเราคิดนึกปรุงแต่งหรือว่าเวลาที่ฟุ้งซ่านนะคะหรือคิดเรื่องการงานเนี่ยมันมาจากตรงนี้หรือว่าใช่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเออเลยใช้สมองใช้สมองแต่ว่าจิตใจเราก็มีหน้าที่นั่นแหละจิตมันก็ไปเสพอารมณ์พอมันคิดไปใช่ไหมแล้วมันก็เกิดรู้สึกขั้นมาอย่างมันคิดไปแล้วก็คิดเรื่องนี้เกิดสุขคิดเรื่องนี้เกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลเนี่ย จิตใจก็ไปถูกความรู้สึกทั้งหลายผลักดันให้ดิ้นรนใ่ไมพวกเราเป็นสัตว์ที่มีสมองนี่ไม่ได้มาเมื่อวานเมื่อวานหลวงพ่อเพิ่งเทศเรื่องสมองไปสมองแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนี่นะทำงานไม่เหมือนกันหอกเวลาที่แม่ชีคิดนะแม่ชีก็ชี้ถูกแล้วแต่จริงๆชี้ผิดข้างรื้ไหมข้างนี้ข้างซ้ายนะไม่ใช่ข้างขวานะเวลาคิดเรื่องซับซ้อนแต่ว่าส่วนรวมจริงๆของ ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีนะมีแต่จิตเกิดที่ใดจิตก็ดับที่นั้นเละเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆจิตไม่ได้มีอยู่ดวงเดียวจิตไม่ได้เหมือนแมลงมุมไม่เหมือนแมงมุมไม่ใช่แมลงจิตไม่ได้เหมือนแมงมุมเห็นไหมแมงมุมอยู่ตรงกลางใหญแล้วก็วิ่งไปทางซ้ายวิ่งไปทางขวาวิ่งข้างบนข้างล่างวิ่งไปเราวิ่งมาจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตเกิดขึ้นที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูดับเกิดที่ใจแล้วดับไม่มีที่ตั้ง หลวงพ่อคะเราไม่ชีจะเห็นแวบไปแวบมาเดี๋ยวก็เห็นอิริยาบทเดี๋ยวก็มาเห็นจิตเดี๋ยวกเห็นลมหายใจถูกต้องละเพราะเวลาสติจะเกิดเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าสติจะระลึกรู้อะไรสติเป็นอนัตตานึกออกไหมยังดูเหมือนคนไม่มีสมาธิดูเหมือนไม่มีหลักอะค่ะเรามีสมาธิแต่มีทีละขณะเดียวขณะใดที่ว่าขณะเดียวขณะปัจจุบันไงไม่ใช่ขณะยาวๆ พวกที่บอกว่าสมาธิสั้นไม่เห็นแตกเลยหลวงพ่อก็สมาธิสั้นก็สั้นทีละขณะจิตหนึ่งอ่ะมันจะยาวไปได้ยังไงเคยถามหลวงพ่อตอนมาครั้งแรกค่ะสมาธิสั้นขอบพระคุณค่ะเอาใครจะคุยต่อเบอร์เก้าเอดเบอร์เก้าบเอดยกก่อนนะแล้วไปเกาเอานี้เก้าบเอ็ดก่อนแล้วไปเก้าสิบสองนะเก้าสิบเอ็ดไปกล่าวแวั่การพระอาจารย์ครับคราวที่แล้วที่มากราบพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้ผมเนี่ย ไปแยกรูปกับนาำเพราะว่ายังติดเพลงอยู่พอฟังวันนั้นกลับไปสองวันแรกเครียดเลยครับพระอาจารย์เพราะว่าพยายามจะแยกมันพยายามสิแค่รู้เล่นๆพอพอแล้วมันก็คิดขึ้นมาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อ๋อเรากำลังทำพอพอคิดว่าเราทํามันก็ปล่อยครัมพอปล่อยหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามรู้ที่พระอาจารย์สอนว่าให้ดูรู้ลมหายใจก็รู้ เสร็จปเราก็เลยมองเอ๊ะรูปเราอยู่ตรงไหนฮะพอเราคิดถึงโครงกระดูกปุ๊บเราก็เห็นโครงกระดูกตัวเองขึ้นมาเอ๊ะพระอาจารย์ก็สอนว่าอย่าไปเพ่งอสุภะก็เลยเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มกั บ, สบสกอสัพโซในรอบหนึ่งครับว่า ท, ที่ทุกวันเนี้ยที่นั่งนั่งตามรูปแบบเนี้ยยัง ใ, ใช้ได้ไหมใช้ได้ที่ฝึกอยู่ตอนนี้ดีกว่าแต่ก่อนแล้วรู้สึกไหมจิตใจของเราเริ่มแยกออกมาอยู่ต่างหากเราเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งรู้สึกไหม เราเห็นกิเลสก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแบบปลกปลอมเข้ามาเป็นคลาลเริ่มดูออกเงครับเห็นไหมความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่แบบปลกปลอมเข้ามาตัวเรามันอยู่ต่างหากคือตัวรู้มันอยู่ต่างหากนอกจากนั้นมันเป็นของถูกรู้ทั้งหมดเลยร่างกายก็ของถูกรู้รู้สึกยังไอ <นะ S 1> ตัวที่พยักหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จิตเราไปรู้เข้าไอตัวที่ยกมายกมือเนี่ยจิตมันไปรู้เข้าอะไรๆก็เป็นของที่จิตไปรู้หมดเลยหัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ มันจะเริ่มแยกไปอะไรเป็นสิ่งที่ถูกรู้อันนั้นจะไม่ใช่ตัวเราอย่างพัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมเป็นสิ่งถูกรู้พัดไม่ใช่ตัวเราดอกไม้ปลอมนี่เป็นสิ่งถูกรู้มันไม่ใช่เราเนี่ยแขนแขนนี้ถูกรู้มันจะไม่ใช่เราด้วยอะไรอไรมันก็จะไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆงงไหมมันธรรมดานะเหมือนอย่างคนฉีดยาเข้าไปต้องง ง, งงหน่อยกว่ายาจะออกฤธิ์รักษาโรคหายงง ส่วนมากฟังหลวงพ่อครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนที่แสดงธรรมแบบไม่บรญยับัญรังนะแสดงธรรมแล้วไม่แบบขยักขยักไว้นะกลัวลูกศิษย์จะรู้เท่าเราไม่กลัวหรอกนะแบบเทกระเป๋าให้ไปเพราะงั้นเมื่อพวกเราฟังแล้วเราต้องใช้เวลาในการย่อยธรรมะอันนี้มันจะใช้เวลาช่วงหนึ่งกว่าจะเข้าใจครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาอย่างนี้ธรรมะบางอย่างที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อใช้เวลาย่อยอยู่20กว่าปี ครั้งหนึ่งสามสิบหกวันก่อนท่านมารณภาพท่านมารณภาพสามสิบตุลาสองหกย้อนไปสามสิบหกวันไปหาท่านครั้งสุดท้ายท่านสอนเราตั้งแต่บ่ายๆนะจนค่าท่านเหนื่อยท่านหอบเลยเราเห็นท่านหอบเราก็บอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับลาแล้วท่านก็หอบหอบนะฮะจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะจำไว้นะ พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงที่จริงท่านพูดอีกประโยคหนึ่งแต่ไม่ได้สอนต่อบฟังแล้วน่ากลัวเกินไปจริงๆท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตพ บ, พบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียจึงจะถึงความบริสุทธิ์ฟังแล้วน่ากลัวมากเลยธรรมะอันี้ใช้เวลาทั้งยี่ส่าปีกว่าจะเข้าใจพอฟังท่านแล้ววันรู่ขึ้นนะ ออกจากสุรินมาแย่โคราชพอถึงโคราชไปแยหาหลวงพ่อพุทธก็ไปกราบหลวงพ่อพุทธพอท่านเห็นหน้าท่านก็ทักทายง่ายนักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อพว่านักปฏิบัตินะไม่เหมือนหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านถามบอกนักปฏิบัติง่ายหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง หลวงพ่อพุธท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานละเมื่ออาทิตย์ก่อนหมายถึงก่อนหน้าหลวงพ่ออาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อพุธไปหาหลวงปู่ดูลนเหมือนกันหลวงปู่ดูลนก็พูดพูดธรรมะให้หลวงพ่อพุธฟังนะเสร็จแล้วท่านก็บอกเจ้าคุณหลวงปู่บอกบอกหลวงพ่อพุธเรียกหลวพ่อพุธว่าเจ้าคุณเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิต ลหลวงพ่อพุทท่านก็มาขยายความให้หลวงพ่อฟังบอกว่าพบผู้รู้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตเนี่ยหมายถึงไม่ยึดมั่นจิตนั่นเองเนี่ยท่านพูดมาให้คํานึ่งแล้วท่านก็บอกคุณกับหลวงพ่อมาทําปฏิญาณมาทํากติกากันไว้ใครทําลายได้ก่อนนะให้มาบอกกันมาบอกพิจีตรว้ทําลายยังไงเนี่ยหลวงพ่อไม่เจอท่านน้อเลยหลายปีจนก่อนท่านวรณภาพไม่นานเนะท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์ ปีสี่เท่าไหร่เนี่ยสี่หนึ่งอะไรนั่นจำไม่ได้แล้วพอเข้าไปท่านมาเทศเสร็จอาคาเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจําได้นะักปฏิบัติมีไม่มากหรอกหนะลวงพ่อผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้เลยนะโอ้คราวนี้นะท่านเปลี่ยนไปเลยนะเหมือนท่านเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยนะกิริยาท่าทางท่านองค์อาจพึงผายนะท่านบอกว่า จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วเจาะทําลายเปลือกออกมาเองพูดห้าวหานมากเลยโอ้เราก็เลยฟังปุ๊บเราเข้าใจแล้วนะท่านทําลายเปลือกออกมาได้แล้วท่านห้าวหานมากเลยท่านบอกวิธีให้นะบอกไม่ได้ทําอะไรนะรอให้ลูกไก่นี้โตขึ้นมาเดีย๋ยวลูกไก่จะเจาะเปลือกเอง ม, มันก็คือธรรมะอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคยสอนนะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุเองเรามีหน้าที่จเจริญศีล สิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเจริญไตรสิกขานั่นเองเมื่อเจริญเต็มที่แล้วเนี่นะจิตมีพลังมีพลานุภาพเต็มที่แล้วเจาะทําลายอาสวะออกมาเองพระพุทธเจ้าท่านเทียบเหมือนคนทํานาบอกชาวนาเนี่ยไม่สามารถทําให้ข้าวออกรวงได้ข้าวมันออกรวงของมันเองสิ่งที่ชาวน า, นานทําได้คือไถานาเห็นไหมไถยอยู่ที่ดินไม่ได้ไปไถต้นข้าวหว่านเมล็ดข้าวลงไปในนาเห็นไหมแล้วก็เอาน้ำเข้านา ช่วงไหนน้าน้อยก็เติมน้ําช่วงไหนน้ามากก็ไขน้ําออกนละถึงเวลาแล้วข้าวออกรวงข้าวออกเมล็ดข้าวมันออกของมันเองชาวนาไม่ได้ออกเมล็ดข้าวมาจิตนี้ก็เหมือนกันนะเราจเจริญใจศิกขาศิลสิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกษาจเจริญอย่างนี้แหละถึงวันที่เขาพอเพียงแล้วนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้ดังนั้นหน้าที่พวกเรานะค่อยฝึกไปค่อยรู้กายค่อยรู้ใจนะ ถือศีลห้าไว้เป็นเบื้องต้นวันไหนจิตใจฟุ้งซ่านมากทำความสงบเข้ามาให้จิตใจได้พักผ่อนบ้างพอจิตใจสงบแล้วพักผ่อนพอสมควรแล้วไม่ขี้เกียจคี้คล้านให้เจริญปัญญาด้วยการมีสติรู้กายอย่างที่กายเขาเป็นมีสติรู้จิตอย่างที่จิตเขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขาเวลารู้ให้รู้อยู่ห่างๆอย่าถลาลงไปรู้อย่ากระโจนลงไปรู้รู้อยู่ห่างๆเหมือนดูคนอื่น ดูกายนี้เหมือนดูกายคนอื่นดูเวทานานี้เหมือนเวทานาคนอื่นดูจิตนี้เหมือนจิตคนอื่นไปดูอย่างนี้ดูเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆทั้งกายทั้งเวทานาทั้งจิตนี้เป็นแต่สภาวะธรรมซึ่งถูกรู้ถูกดูสิ่งใดถูกรู้สิ่งใดถูกดูสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของอยู่นอกๆนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปกระทั่งต่อมาเราจะเห็นกระทั่งผู้รู้ผู้ดูเองก็เกิดเกิดดับ เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนะผู้รู้เองก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่มีอะไรคงที่สักอันเดียวเลยนี่ตัวอย่างนี้เรื่อยๆไปนะวันนึงลูกไก่ก็จะหลุดออกมาจากเปลือกได้อา้าใครจะคุยต่อเชิญขอบขอบคุณครับฟังหลวงพ่อนะี่ยอย่าตกใจนะไม่รู้เรื่องหรอกต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะรู้เรื่อง เบอร์สักเกนะ้าสิบสองนจองไว้นานแล้วเก้าสิบสองแล้วมาทางนี้นะเห็นใครสักคนหนึ่งอยู่ทางนี้ที่ยกอยู่นั่นมสส ก, การหลวงพ่อครับมาส่งกันบ้านครับก็ทุกวันนี้ก็พยายามดูอาการที่จิตไปคิดครับระหว่างวันด้วยแต่ว่าพยายามก่อนนอนกับตอนเช้าก็ดู ไปเรื่อยๆแต่พยายามหลังๆนี่คือพยายามมากๆเขามันก็รู้สึกว่าพยายามอยู่พยายามให้มันเกิดขึ้น อ, อ, อย่าพยายามมากน ะ, ค, ะความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ตรงนั้นแหละให้รู้เอาเพราะว่าที่เราว่าพยายามเนี่ยมันเจือด้วยความโลภเสมอให้เรารู้ทันใจที่โลภดีกว่าพยายามทำอะไรซีกใจเราอยากปฏิบัติรู้ว่าอยาก ตรงที่อยากปฏิบัติแล้วรู้ว่าอยากปฏิบัตินั่นปฏิบัติเสร็จแล้วด้วยซ้ําไปแล้วก็รู้ลงปัจจุบันเพียงขณะขณะไปแม้ตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมทราบครับเนี่ยฝึกอย่างนี้นะคปล่อยซะนะยังตรึงความรู้สึกแรงเพราะกลัวหลวงพ่อไปตื่นเต้นครับตื่นเต้นเลยไปตรึงที่ฝึกอยู่ดีละจิตมันตื่นแล้วครับคุณรู้จักไหมจิตตื่น รู้สึกไหมมันโล่งๆมันบะมันสว่างมันเบิกบานมันเบามันสบายมันคล่องแคล่วว่องไวมันนุ่มนวลอ่อนโยนเห็นไหมตอนนี้ฟูแล้ว ไ, ไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่ อ, อตอนนี้ฟูแล้วครับเออนะดูไปอย่างนั้ น, นครับใช้ได้แล้วแม่ชีนะเคยวิจารณ์นหนึ่งบอกว่าเมื่อปีสองห้าเนี่ยมีคนสองคนคือหลวงพ่อกับน้องอีกคนหนึงพี่ผงเชิดไปหาหลวงปู่ดูลนะแลหัสเจริญสติเมื่อปีสองห้ามีสองคน มาถึงนี้ปีนี้มีเป็นพันล ะ, นะมีปลาโมดน้อยๆเป็นพันแล้วนะอ้าวไปตรงโน้นคุณผู้ชายนั้นยกอยู่นะเดี๋ยวคุณผู้หญิงเสื้อสีอะไรเขาเรียกสีอะไรอย่างเงี้ยสีอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกไม่ถูกอ้าว่าไปนมัส ก, การครับคือผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแล้ววันนี้พาภรรยามามครั้งที่แล้วหลวงพ่อแนะนําว่าบังคับเกินไปหน่อยอะไรนะบังคับเกินไปครับอก็ วันนี้ก็เลยจะมาส่งการบ้านดูแ ล, แล้ว ด, <อ>ดูออกไหมว่าแต่ก่อนบังคับดูออกครับดูออกก็ใช้ได้แล้วแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะอย่าชี้เกียรเท่านั้นแหละดูไปเรื่อยๆอย่าเว้นวักนะการปฏิบัติเหมือนพายเรือทวนน้ำถ้าเว้นวักหยุดเมื่อไหร่นะถอยหลังแล้วก็พอถอยหลังนะรวบรวมแรงมาพายอีกวนน้าขึ้นไปอีกสักพักนะเดี๋ยวก็หยุดแล้วถอยหลังอีกพอถอยหลังหลายๆหัว น, นั้นจะหมดแรง หมดกําลังใจที่จะปฏิบัติมันเหมือนเราพายเรือทวนน้าจะขึ้นแก่งรักอันหนึ่งต้องฮึดๆๆดฮึ ด, ดนะสู้ตายดูเรื่อยๆอย่าหยุดพอมันขึ้นไปได้แล้วเออพ้นแก่งที่หนึ่งแล้วก็ ย, ยังชั่วแล้ะน้ําจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนลงอ่อนลงดีแล้วที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะอะคุณผู้หญิงนั้นอดทนนะอดทนนะคุณผู้ชายนะ กาบกาบนมัตการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งเดีวฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเจ็ดเดือนลูกชายหามาให้ฟังแล้วก็ปฏิบัติมาค่ะวันนี้มาครั้งที่สองก็อยากจะกาบเรียนถามหลวงพ่อว่าปฏิบัตินี่ถูกต้องหรือยังคะหลวงพ่อถามบ้างหรือเปล่า <c oughs> ถามแต่หลวงพอ่อรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิม <c oughs> รู้สึกค่ะนั่นแหละภาวนา<ล>ดีแล้ววันนี้กําลังตื่นเต้นมากเลยค่ะนั่นเห็นไหมไม่ทันจะเจอหลวงพ่อเลยนะฟังซีดีก็ภาวนาเป็นแล้ว <c oughs> ภาวนาเป็นก็คือเรารู้ทันตัวตเอง<ต>ได้เต้นซะจนมือไม้สั่นไม่หมดแล้วอืมไม่เป็นไรอย่างดีนะหลวงพ่อไม่กลัวใหม <laughs> หลวงพ่อตื่นเต้นอีกคนหนึ่งตายเลยหนุอยากจะกลับเรียนหลวงพ่อว่าตอนนี้จิตตื่นยังคะตื่นแล้วค่ะอาใครจะคุยต่อเชิญ อนุญาตหลวงพ่อข้อาว่าไปหลวงพ่อครับผมครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าตรึงเอาไว้อยู่ครับแล้วผมกลับไปดูแล้วเห็นไหมขันห้ามันกระจายตัวออกม า, าแล้จากนั้นมันก็ปิติความสุขล้นใจอยู่3มวันเาจากนั้นมันก็เสื่อมอีก เ, อเพอาะเสื่อมอีกมันดิ้นจนหมดแรงแล้วผมทิ้งเลยไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ยอมอมันแกล้งทิ้ง<า>เพราะจริงๆมันเกาะเอาไว้ รู้สึกไหมตอนเนี้ยเราเกาะเอาไว้หน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้ทิ้งจริงหรอกเราบอกว่าฉันทิ้งแล้วนะแต่มือกเกาะเหนียวเลยทิ้งไปหมดแล้วจากนั้นผมก็มากิเลสเนี่ยน ะ, ะมันเก่งอยู่อย่างรู้ไฮมเราหลอกกิเลสไม่ได้มีแต่กิเลสหลอกเราเราจะบอกว่าฉันทิ้งไปหมดแล้วนะเนี่ยมันไม่เชื่อหรอกเอาล้นะต่อไปนี้ฉันไม่ปฏิบัติแล้วฉันจะทําไม่รู้ไม่ชี้แล้วมันไม่เชื่อหรอกมันจะแอบทําดู้เล่นๆไป ของคุณดีขึ้นกว่าแต่ก่อนทั้งเยอะแล้วแต่ก่อนนี้เพ่งเอาไว้เพ่งไว้แล้วมันไม่เกิดปัญญาหรอกเพราะมันไม่เห็นอะไรที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเลยแต่ตอนนี้คุณคุณรู้สึกไหมใจมันสงสัยขึ้นวูบหนึ่งแค่แค่นี้เห็นไหมมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรเกิดนะแล้วก็ดับไปดูแค่เนี้พอแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าจิตมันอยู่กับความธรรมดามากขึ้นเมื่อก่อนมันมันจะติดปิติครับเออก็ดีแล้วล่ะปิติก็เหนื่อยนะ แล้วไม่เอาอะไรสักอย่างนะกระทั่งปีติมีก็มีไม่มีก็ช่างมันครับขอบคุณหลวงพ่อครับอาคุณนี้ขอโอกาสครับ อ, อช่วงก่อนเนี่ยเวลาภาวนาผมก็เห็นเห็นการเกิดดับครับก็รู้สึกว่าเ อ, อในชีวิตประจำวันก็สติเกิดบ่อยครับแต่เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับภาวนาไม่เป็นครับอืมดี ภาวนาแล้วก็มันก็อยู่นิ่งๆไปครับอืครับวันแรกๆก็ก็เข้าใจว่าเอไม่ไปแทรกแซงมันครับก็ดูไปพอหลายๆวันเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมันมันเป็นอย่างอมันมันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่เห็นการเกิดดับอะไรเลยเอเมื่อตอนเช้านี่ครับเดินจงกรมก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามันมันไปมันไปเกาะไอ้ความรู้สึกว่า ว่าไม่ไ ม, ไม่มีไม่ไม่เกาะ อ, อะไรครับอนั่นแหละดีที่เห็นนะไปเกาะตรงนี้นะพอพอรู้ทันตรงนี้มันก็รว่าร<ค>่วงคลายออกใช่ส่วนมากเนี่ยจิตเนี่ยเวลาเราจเจริญสติที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เล่าให้ใครฟังนะว่าเราจเจริญสติพอมันเหนื่อยนะมันเข้าไปเกาะ อ, อารมณ์นิ่งๆอยู่ที่เราไม่เห็นนะอะเกาะแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นเลยถนะ้ให้รู้ทันไปถ้าอย่างของคุณก็เรียกว่าฉลาดนะ รู้สึกว่าหลายวันแล้วยังเหมือนเดิมนี่ต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วค่อยๆสังเกตเอาว่ามันไปพลาดตรงไหนพอรู้ทันว่าอ๋อมันมาเกาะอยู่ตรงนี้เองต่อไฟก็คลายเองนะใช้ได้ครับขอบคุณครับอาคุณสุจิตเรื่องนี้นนานทีถึงจะเจอขอบคุณครับก็เมื่อเมื่อเช้ามาก็บอกกับแฟนว่าช่วงนี้จิตมันเหมือนจะสร้างพบอะไรนะไม่ได้ยินเหมือนมืนก็จิตมันสร้างพบปฏิบัตินักปฏิบัติขึ้นมาแล้วมัน ไปเกาะรู้แต่มันไม่ยอมปล่อยช่างมันเรื่องมันครับผมไม่ใช่เรื่องของกุสุกิจครับผมแค่รู้ว่ามันไปเกาะนะใช่ได้ถ้าช่วงช่วงอยู่อเมริกาก่อนก่อนกลับไปอเมริกาครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่มีกำลังก็เลยไปเน้นสมถะมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆมันรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราขึ้นมาแว้บหนึง่งพอพอรู้สึกนีน้ก็เลยถามตัวเองเอ๊ะ เรารู้สึกอย่างันได้ด้วยเหรอืมทีนี้กิเลสมันเกิดท่านอยากอยากพ้นทุกข์แล้วก็เลยเละเลยไหมอยากหายแล้วก็หายไปครับคือเวลาที่เราภาวนาบางช่วงเยสติสมาธิปัญญาพอนะเห็นนะว่าจิตไม่ใช่เราแต่ยังเห็นไม่พอเราก็ภาวนาไปอีกจนวันหนึ่งเขาพอนะก็จะรวมเข้ามาแล้วมาตัดสินความรู้กันในอัปปนาสมาธิมี่ข้าอัปปนาเองนะแล้วมันตัดสินในอัปปนาไม่ได้ตัดสินอยู่นอกนี้ เอาไขรหน้าทางด้านนี้เห็นยกมือเยอะเลยเชิญมาทางนี้อ้าวม่เก๋ยกมือไว้เก๋เห็นสั้นๆนะนมัสกัรครับหลวงพ่อสั้นๆนะเรานักพูดยาวเห็นสภาวะธรรมเป็นอนัตตาแล้วทำไมจิตยังจะไปหลงยึดหยุ่หลงยึดเราเห็นเราเห็นแต่จิตไม่เห็น อย่างเราไปดูนะเออกายนี้เป็นทุกข์นะดูไปดูเออทุกข์จริงๆแหละจิตไม่รู้สึกจิตยังไม่รู้สึกว่ามันทุกข์จริงอะไรเงี้ยเราเราเห็นโน่นเห็นนี่เราบอกเราเห็นแล้วนะพอแล้วนะฉันบรรลุได้แล้วนะจิตไม่ยอมอมันเป็นสภาวธรรมทีททอ่อธิบายยังไงดี <laughs> คือมันมันเกิดขึ้นก็คือวันหนึ่งผมคัน เสร็จแล้วเกิดขึ้นในช่วงวินาทีเดียวตรงนั้นมันมันอยู่เหนือความควบคุมของเราเรามันเกิดความรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาแล้มันเป็นยามันเกิดครับช่วงอาทิตย์หนึ่งช่วงตรงนั้นเนี่ยมันมันมันทิ้งทุกอย่างมันคือสภาวะทําอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาอก็ไม่ไปแทรกแซงมันได้แต่พอพ้นช่วงหลังสัปดาห์นั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆค่อยยึดกลับมาเหมือนเดิมไม่ว่าอะไรนะเจริญอ่ะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกนี่ก็เสื่อม มม เ, เพราะมันไม่ใช่ของจริงยังไม่ใช่ของจริงของเราครับทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงกลับเข้าไปช่วยช่วยกันปรุงอยู่อยู่เหมือนเดิมฮะทําไมไม่รู้เหมือนเดิมตอนที่เช่วงสัปดาห์นั้นเพราะ ม, รา ม, มันเคยเห็นสภาวะนี้แล้วมันก็อยากเห็นอีกแล้วก็ดิ้นรนหาทางจะดูให้เกิดสภาวะานี้เลยไม่เกิดเลยตราบใดที่ยังดิ้นรนอยู่ก็จะไม่เห็นหรอกแล้วผมต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขอะไรอีกไหมฮะต้องลดลงสิไปเพิ่มเติม ใจมันแอ บ, บไปปรุงแต่งอะไรรู้ทันมันเรื่อยๆอย่าไปช่วยมันปรุงไม่ใช่ไปช่วยมันปรุงว่าทำยังไงมันจะไปเห็นอย่างนั้นอีกครับมันอยู่ที่เลิกไปนะเลิกปรุงแต่งไม่ใช่ไปปรุงแต่งให้ดีๆอ่ะส่งมาข้างหน้ามากี้ใครยกมืออยู่ข้างด้านหน้าอ่ะคุณนั่นเลยไหนๆก็ผ่านละอ่ะกลับนรมสการหลวงพ่อฮะเมื่ อ, อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วได้มา ส่งการบ้านพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ได้บอกว่าขณะนั้นตอนนั้นที่ส่งการบ้านคือเหมือนกับว่าจิตจะลงไปอยู่ในกลางสนามฟุตบอลมากเกินไปแล้วก็ให้ถอยออกมานั่งเป็นคนดูก็พอกลับไปก็ได้รู้สึกว่าพยายามที่จะถอยออกมาสักสามสี่วันก็รู้สึกเวนกับมันนิ่งเหมือนกับมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยมีความรู้สึก ไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราถอยมากเกินไปหรือเปล่าในขณะที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราถอยมากไปตรงนั้นมากเกินไปตรงนี้น้อยเกินไปจิตมันก็เกิดความรู้สึกสับสนก็รู้ ร, รู้รู้สึกเหมันกบว่าตัวเองสับสนก็มันก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาอืมพร้อมกับเสียงพระอาจารย์ว่าก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยอืพอตอนช่วงนั้นมันก็อ่จิตมันก็บอกตัวเองว่ากล้าหน่อยนะเสร็จ แ, แล้วพอมันกล้าหน่อยมันก็ปล่อย พอมันปล่อยวางทุกอย่างไอ้ตรงช่วงที่ปล่อยวางตรงนั้นมันก็เกิดจิตรวมกันขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกเข้าใจกับความปล่อยวางว่ามันปล่อยแล้วพอมันปล่อยมันก็วางไปถึงความรู้สึกเป็นเหล่าด้วยที่มันปล่อยว่ากับความรู้สึกตรงนั้นมันก็เข้าไปความรู้สึกกับความรู้สึกที่มันว่างเปล่าออแล้วพอรู้สึกเกิดมีความรู้สึกสักพักหนึ่งที่มันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกที่มันว่างเปล่ามันรู้สึกเป็นสุขเราหลงอยู่ในความรู้สึกเป็นสุขนั้น สักพักหนึ่งหสักนิดหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้กิเลสมันหน้าตาดีฮะ ม, มันหน้าตาดีมันมันมันหลอกเราให้ใหรู้สึกติดอยู่กับตรงนั้นก็เลยรู้สึกมองมันแล้วก็ถอยออกมาฮแล้วก็พอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ก็ปฏิบัติต่อตามรู้กายตามรู้ใจไปต่อในช่วงหลังๆสามสี่วันหลังจะมีความรู้สึกมันจะเจ็บกลางหน้าอกอยู่ตลอดเวลา พอเราเข้าไปดูมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับเออนี่มันตัวทุกข์เนี่ยไอ้ที่มันรู้สึกเจ็บๆพอดูไปดูมาไอ้ตัวทุกข์นี่มันกิเลสเนี่ยมันอยู่ตรงกลางหน้าอกเราอืมันดึงๆอยู่ครับะอาจารย์มันดึงๆมันเหมือนกับว่ามันมันเหมือนกับเป็นผังผืดมันดึงๆเหมือนกับเป็นกอเอียติดอยู่อ่าเห็นไหมมันเหนียวมันเหนียวมากเลยคําว่าปุถุชนนะถ้าแปลให้ดีๆนะแปลว่าเหนียวหนาทั้งเหนียวแล้วก็หนาหนามันอย่างหนาตาช้างเลยหลวงพ่อมันรู้สึกว่ามันแบบ มันแล้วมันจะเจ็บเจ็บมันจะดึงดึงอยู่ที่กลางหน้าอกเราเราอย่าไปจงใจพยายามแยกมากไปก็จะเจ็บนะให้รู้เล่นเล่นตอนนี้รู้เล่นเล่นได้ละแต่ก่อนเนี้ยมันเข้าไปคลุกวงในแล้วก็เลยไปฝืนฝืนฝืนหลุดออกมาหลุดออกมามันก็มีโยงใหญ่พยาพยามจะดึงคืนนะดึงไปดึงมาก็เจ็บเๆจๆ็บเจ็บกลางหน้าอกหลวงพ่อมีคนงานคนนะคนงานที่วัดนี่ภาวนาเก่งๆนะแต่เขาพูดเขาเป็นถทยใหญ่พวกไทยใหญ่ คนนี้ซื่อมีศีลมีธรรมดีกว่าพวกไทยน้อยเยอะเลยเวลาเขาบรรยายธรรมะให้หลวงพ่อฟังนะหน้าฟังเขาบอกว่าผมมันเจ็บใจครับสภาวะที่โยมเห็นนะนะบอกว่าเอ้ยอย่าไปดึงมันสิรู้มันเล่นเล่นสิอะไรเงี้ยวันหลังมารส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกผมหายเจ็บใจแล้วครับดีแล้วนะภาวนาดีค่อยรู้ค่อยดูค่อยเรียนไปเห็นไหมมีแต่สภาวะ สภาวะสาราพัชนิดเลยแต่ทุกๆสภาวะไม่มีตัวเราหรอกดูไปเรื่อยๆไม่คิดเอานะแล้ววันหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีหรอกดีแล้วล่ะที่โยมทำอยู่ดีใจด้วยส่งมาข้างหน้ามาใครยกมืออยู่วันนี้วันนี้โยมภาวนาดีนะเยอะเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ไปลงสีดี <c oughs> ที่เทศวันนี้กราบหลวงพ่อคะอ่ะก่อนหน้าที่หลวงพ่อ บรรยายทรมาเนี่ยมันอยู่ในแผ่นที่สิบหกแทรกที่สองหนูฟังมาเป็นเดือนเลยค่ะแล้วระหว่างที่ขับรถไปอ่ะไอ้บทความตรงที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยจิตมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ความเป็นกลางเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์ต่างๆที่เปรียบเหมือนสีที่ไม่เข้าไปแต้มมัน <c oughs> พอมันนึกขึ้นได้อะร่างกายมันก็แบ่งออกเป็นสามช่วงนะคะใต้นอโศกแล้วก็กางนอโศกแล้วก็เหนือขึ้นมาแต่ว่าตรงกลางนอโศกเนี่ยมันจะเหมือนกองดินสีเทาๆแล้วมันรู้สึกว่ามันมันจะต้องเอาออกให้ได้มันมันรู้สึกเหมือนมีไปตะกุยกองดินออกมามันเหมือนกับเป็นลิ้นชักที่อยากจะดึงออกมาแต่มันดึงไม่ออก๋ยวไปดึงมันนะ แต่ละคนก็มีลิ้นชักลึกลับอยู่คนละอันบรรจุสิ่งที่สะสมไว้ทั้งหลายนะกิเลสทั้งหลายอะไรพวกนี้ยวิบากทั้งหลายเก็บสะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นจะซ่อนสิ่งโสปโปรกไว้เต็มเลยเต็มลิ้นชักเลยวันดีคืนดีมันก็ล้นลิ้นชักออกมาข้างนอกนะล้นออกมาทางกายล้นออกมาทางวาจาแค่รู้นะรู้ไปเรื่อยๆแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยใจมันก็โล่งขึ้นนะครัะ นั่นแหละดูไปอย่างนั้นอย่าไปแทรกแซงมันรู้ลูกเดียวเลยรู้เล่นๆไปมันจะมีอะไรก็ช่างมันน ะ, ะมันจะสีอะไรก็ช่างมันยังดีนะสีเทาๆ <laughs> สีเทาๆอาการยังไม่หนักมากเมือ่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่หนูมีอุบัติเหตุก็เราอยู่เลนขวาแล้วก็มีรถพ่วงมาเลนซ้ายแล้วเขาก็มา ตัดหน้าแต่ช่วงนั้นน่ะหนูก็เอ้ยหนูทำอะไรไม่ได้นะหลวงพ่อหนูยังมีสติอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าขึ้นไปบนไอ้เกาะกลางถนนที่มัน <c oughs> เป็นคอนกรีตรกั้นนะคะสูงประมาณเมตรหนึ่งอะ <c oughs> ถ้ามันสามารถขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์รอดแต่ตอนนั้น่ะมือขวาน่มันหักไปหักไปแล้ว <c oughs> เราก็รู้สึกลดเบาขึ้นมาวูบหนึ่ง <c oughs> เราหันไปมองดูลูกเนี่ยคนแรกเนี่ยผ่าน พอมาคนที่สองนี่เขาเห็นเขากำลังกระเถิบมาทางฝั่งขวามือมันรู้สึกโล่งใจขึ้นมานะคะแล้วพอหันไปดูพวงมาลัยอีกครั้งหนึ่งมันก็ลอยขึ้นไปเกาะ อ, อยู่บนคอนกรีตเรียบร้อยอแล้วต้องปีนลงมานะคะพอสักพักหนึ่งตอนนั้นมันไม่ได้ตกใจนะคะ ม, มันมันมันมีสติดีมากค่ะ แต่พอลงมานี่มือสั่นขาสัน่นหมดเลยมันก็มาตกใจที่หลังแหละธรรมดานะแล้วพอเห็นตำรวจเดินมานี่มันรู้สึกมันมีความลำพองมันมีความหึกเหมิมที่ที่ว่าได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยคะ่ะลูกศิษย์วันนี้นะไม่รู้เป็นอะไรนะชอบรถคว่ำรถไง แต่แปลกนะไม่ตายสักคนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราสติดีสติมันธรรมะสติเนี่ยนะเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงเลยในขณะที่ขับขันจวนตัวจริงๆนะสติมันเกิดมันไม่ตกอกตกใจหลับหูหลั บ, ลบตาเหยียบพันเร่งมากกว่าเปลอะไรอย่างนี้นะไม่มีรู้ตัวตลอดเลยการที่เรามีสติเนี่ยมันช่วยเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ขนาดให้เกิดเรื่องฉุกเฉินนะจะไม่ตกใจสักนิดเลยพอเกิดแล้วถึงจะมาคิดซ้ำแล้วค่อยตกใจเป็นอย่างนั้นแหละค่ะใช่ค่ะแล้วพอตำรวจเดินมานี่หนูก็รู้สึกว่ามันมั น, ม, นมันดีใจมัน อ, อ่มันล่าเริงอย่างอย่างอย่างประหลาดนะคะพอหลังจากนั้นมันก็เริ่มหงุดหงิดกับขบวนการที่จะต้องให้คำถามให้อะไร แล้วมันก็กําลังมันก็อ่อนไปเลยคนะ่ะไปรู้อีกทีก็มื้อเย็นแล้วนะคะได้ฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยเห็นไหมธรรมะคุ้มครองนะะนี่แหละธรรมะคุ้มครองเราแล ห, หและหลายคนเลยเวลาที่ชีวิตมีปัญหาขึ้นมาธรรมะคุ้มครองนะบางคนจะรุ่มใจแทบตายแล้วเนียฉุกเฉินจริงๆนะธรรมะช่วยคต้องฝึกเอาไว้ ค่ะหลวงพ่อคะแล้วเ ร, า, เร า, าจะมีสภาวะที่ว่าอยู่ๆนี่เราจะเห็นว่ารอบตัวเรานี่มันเหมือนฝันนี่ได้นั่นแหะถูกต้องเลยแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงๆโลกนี่เหมือนความฝันเหมือนพยับแดดอย่างเรามองเห็นถนนไกลๆอ่นะเหมือนเห็นมีน้ํามีอะไรเข้าไปแล้วไม่มีหรอกจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยเหมือนฝันอยู่ทางนั้นเลยมั น, มนที่ห<ม>ลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆว่าในโลกเนี่ยไม่มีคนตื่นหรอกมีแต่คนฝัน ในโลกนี้มันแค่ความฝันเท่านั้นนะคะมันมีเข้ามาวูบหนึ่งนะยคะ่ะดูไปนะประสงค์ภาษาในนี้ตัวปลอมค่นะอะไรอะไรก็ปลอมคุณหนึ่งคุณหนึ่งปลอมแล้ว <c oughs> นะดูแล้วการที่เราเห็นมันมีร่างซ้อนขึ้นมาอมสองร่างนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะเห็นไหมตัวหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวหนึ่งก็แสดงไปนะ <c oughs> นั่นแหละภาวนาไปนะดีละ ขอบพระคุณค่ะเนี่ยพระองค์ไหนเซลจัดนะสำนึกไว้บ้างนะนี่ไม้สายตาหลวงพ่อน่ากลัวนพ ม, มองนพระ <c oughs> องค์ที่เซลจัดพลยผวาเลยเห็นไหมว่าโยมเขาภาวนานะเขาังไปได้ขนาด น, นี้ <c oughs> อย่าถือแต่มานาอัตตาแต่ว่าตอนนี้หนูก็กลับไปรู้เหมือน ลงะะแถวแธร<ผ>รมดาอ่ะแต่อย่ากระคองให้นิ่งนะอย่าไปประคองมันกู้กเล่นๆกันเอามาส่งมาข้างหน้าไปานมาส ก, การหลวงพ่อค่ะจะขอส่งการบ้านค่ะแต่ว่าคงไม่ต้องอธิบายต้องอธิบายไหมคะก็คือบางทีก็จะเห็นว่าตัวเองมันแย่ๆอะไรเงี้ยก็ฟังจากที่หลวงพ่อตอบคําถามก็พอจะทราบคาตอบที่หลวงพ่อจะตอบแต่ว่าบางทีก็ พอรู้สึกว่าเห็นว่าตัวเองแย่แล้วก็ไปรู้ว่าไม่ควรจะแย่อะไรประมาณเนี่ยเจ้าค่ะเราก็ไม่แย่เหมือนกับว่าเอ้ยไม่ควรคิดอย่างนั้นนะอะไรประมาณนี่เจ้าค่ะไม่ทราบว่าเป็นการตรงนั้นก็ให้รู้แปลว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่นะให้รู้ลงไปอีกจิตฟุ้งซ่านแล้วคิดจะไปแทรกแซงคิดจะไปบังคับนะก็มีอะไรต้องผัดปรับปรุงรู้เล่นๆไปนะจริงจังนะแต่เล่นๆจริงจังหมายถึงว่าไม่เลิกเลย แต่ตื่นนอนแล้วดูไปเลยบางทีลูมากมันก็จะเบื่อเบื่อว่าทําไมมันเบ<ห>ื่อให้รู้ว่าเบื่อเบืบ่อก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งแต่ถ้าเบื่อทนไม่ไหวจริงๆนะก็หยุดทําความสงบขึ้นมาฟังซ<ม>ีดีอ่านหนังสือหรือว่าไปไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยให้จิตใจแช่มชื่นพอ <บ grands S 1> <thank. S 2> จิตใจแช่มชื่นแล้วมาตามรู้ว่าใหม่าการทําวิปรรัสสนามันก็เหมือนการทํางานทําไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม เราทําสมถะพักผ่อนไหว้พระอะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยแนะนําให้ส่วนบนไหว้พระทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้ตอนเรืขขเอ่องนะังค่ะแต่หน้าไหว้ไว้บ้างนะค่ะหลวงพ่ อ, อยังไหว้เลยค่ะแล้วหลวงพ่อมีวิธีทําสมาธิที่ง่ายที่สุดเลยนะเวลาเรากราบพระเนี่ยเราทําความรู้สึกในใจเหมือนพระพุทธเจ้าท่านยืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเรากราบไปแทบเท้าท่านกราบอย่างนี้นะกราบให้ถึงอกถึงใจเลยเหมือนเรากราบต่อหน้าท่านเลยนะ จิจะเกิดปีติขึ้นมาเลยจิตจะเกิดความสุเกิดความสงบในฉับพรันนั่นเลยขอบคุณเจ้าค่ะคือถ้าภาวนาเป็นนะอะไรอะไรมันก็ใช้ได้หมดง่ายไปหมดทำไม่เป็นนะทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยมาส่งกันบ้านทีไรมีแต่คำ ว, ว่าผิดผิดผิดผด ผ, ดผิดไปเรื่อยจนหมดแรงกอทำอะไรไม่ได้เอา้าถูกแนฮะเอา้าหมดยังมีไหม ว่าไป9าแล้วมาเบอร์ห้านะแล้วคุณผู้หญิงนั้นเราเลิกละอ่ะ <c oughs> คือไม่ได้ส่งเพราะการบ้านของพ่อประมาณเดือนหนึ่งค่ะ <c oughs> ตอนช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมันมันเป็นคือสภาวะที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่เจอคื อ, ค, อคือปกติเนี่ยเราจะคิดคิดเอาเรื่องไตรลักษณ์อะค่ะแต่ว่าเคยเจอที่แบบอยู่อยู่จิตเขาทำงานของเัาเอง <c oughs> คือ <c oughs> คือเขามันมันเคยรู้สึกแบบ อยู่จิตก็รู้สึกว่าทําไมมันทุกข์ใจกายมันทุกขนาดนี้มันจะระเบิดออกมาแล้วหนูก็ตะโกนหลวงพ่อช่วยด้วยแทนที่จะเกิดตายก็ตายไปไม่แต่ก็คิดว่าถ้าตายตรงนั้นก็ก็ไม่กลัวค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเห็นอีกทีว่าคือคือมันเจ็บแล้วเราก็แบบเหมืนบังคับว่าให้ให้เราเอาใจไปอยู่ตรงนี้มันมันไม่ได้มันดึงกลับไปอ๋อมันบังคับไม่ได้นะดีนะอย่างนั้นแหละ พานาแล้วมีสติมีปัญญาขึ้นมาแล้วคือช่วงนี้มันจะรู้สึกเหมือนมันรู้กายมากๆไม่เป็นไรค่ะให้รู้กายหรือรู้ใจก็ได้ค่ะให้มันมีสติไว้ก็้กันอย่าลืมกายอย่าลืมใจไปเสหมดค่ะแล้วหนูเห็นสภาวะอันนึงคือคือหนูกลัวหนูกลัวแรลงสาบไม่อยากฉเฉลยเลย <c oughs> ไม่เป็นไรคนกลัวแมลงสาบเยอะนะแต่สังเกตไหมแมลงสาบมันมีพรสวรรค์อย่างหนึ่ง มันวิ่งมาเวลาเราโดดหลบนะมันจะเข้าไปอยู่ใต้เท้าทุกครั้งไม่รู้เป็นไงหนูคือคนอื่นจะไม่เห็นหนูจะเจอบ่อยๆไม่เพราะว่าเรากลัวเราก็เลยใส่ใจคขาเนี่ยเขไม่สนใจเขาไม่เห็นแล้วเมื่อวานนี้คือมันมีรายการทีวีแล้วเขาก็พูดว่าจะมีมังกรสับล้านหลานตัวนึงก็ไม่กล้าดูแล้วมันเห็นอากาศที่ที่จิตมันไปยึดมันไปเกาะความกลัวนั่นนะคะเห็นว่ามันแบบมันเกาะอยู่แล้วก็ก็มันก็ได้แหละดูไปงั้นนะค่ะ อเบอร์หเคยมาส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าผมาบังคับตัวเองอยู่นิดนิดหน่อยครับผมก็เลยเ ล, ลดนั่งสมาธิลงแล้วไปเดินเดินจงกรมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เดินบริกรรมพุทโธสลับกับดูกายสลับกับดูจิตไปอย่างนี้ใชได้มันดลด บังคับลงเลยลดลงสิใจตื่นขึ้นมาละวคอยรู้ไปเรื่อยๆดีคุณใช่ไหมจอยอ่ะจ้อยเอาซะหน่อยไหนๆก็ผ่านแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยค่ะือวันนี้ไม่ค่อยมีการบ้านส่งไม่มีอะไรนะไม่มีการบ้านแต่เริ่มมีแรงแล้วรู้สึกไหมมันมีแรงมากขึ้นแล้วก็รู้มันไปนะเวลาช่วงไหนหมดเรื่ยวหมดแรงเหน็ดเหนื่อยท้อถอยอะไรเนี่ยทําความสงบบ้าง คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรยเงี้ยจะได้กําลังเวลาหลวงพ่อเหนื่อยหลวงพ่อยังคิดถึงพระพุทธเจ้าเลยนะหเหนื่อยเหน่อยเหนื่อยจนเลยพูดกับโยมเหนื่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าน ะ, ะสดชื่นแล้วเหมือนมีพลังงานไหลมาเต็มตัวเราเนีย่ยโยมเป็นตัวบั่นทอนพลังเ <c oughs> อาว่าไปเบอร์สามกับนมรมการหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะติดเพ่งอาหาะแล้วไม่รู้ว่าที่ดูอยู่มันถูกทางหรือเปล่าค่ะถูกสิเราเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งอยู่ใช้ได้แล้วแล้วไม่แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ตื่นตื่นขึ้นมาหรือยังอะค่ะเริ่มตื่นแล้วแต่ตอนนี้ตื่นเต้นรู้สึกไหมอ่ารู้สึกค่ะตื่นกับตื่นเต้นคล้ายๆกันก็คือขยันดูต่อไปเรื่อยๆใช่ไหะดูไปเรื่อยๆดีแล้วนะคุณเบอร์30สิบก็ใช้ได้นะดูไปเรื่อยๆ นมัสการหลวงพ่อค่ะว่าไงโยมอยางยังมาทําลวงพ่อนะคะเออแล้วไงมากราบเฉยๆเหรอไม่รู้ว่าที่ทําอยู่นี่ถูกหรือผิดค่ะดีแล้วต้องทํำเรื่อยๆน ะ, ะเห็นกิเลสบ่อยแล้วใช่ไห ม, มเยอะมไหมวันๆหนึ่งตัวไหนเยอะ <laughs> ดูออกไหมตัวไหนเยอะ <laughs> พูดไม่ถูกพูดไม่ถูกนะ <laughs> พูดไม่ถูกไม่เป็นไรไม่ต้องพูดค <ะ S 1> แค่เรารู้ทันใจของเรา<ช>เรื่อยๆรู้สึกไหมมันมีความสุขขึ้นมานะจิตใจมันโลง่งมันเบา<ช>มันสบา ย, <ช>บายรู้สึกแต่ดีแล้วรู้สึกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเสื้อขาวเนี่ยกัานามาสการพระอาจารย์ค่ะมาส่งกันบ้านค่ะคราวที่แล้วที่บอกว่าเป็นคนที่โทสะแรงมากค่ะแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้ระวระวังเรื่องศีล แล้วก็ให้ไปดูว่ามันรไล้ไหมในเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าสามีเขาอธิบายแล้วก็โอเคก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มดูแรกๆมันก็ยังแรงอยู่อะค่ะก็ดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วหลังๆมันก็เริ่มเหมือนกับมันกลัวเราหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าเราไปเพ่งจ้องมั่ะมันกระจายตัวค่ะมันเหมือนกับลดลลงแล้วมันกลายเป็นเรื่องของการหุดหงิดอแล้วบางครั้งที่มันกําลังจะออกจากวาจาค่ะวาจามันจะเห็นเลยแล้วมันก็ มันเหมือนกับเห็นแล้วว่าเราเตรียมตัวปรุงแต่งจะต่อเรื่องว่าอะไรอย่างนี้นแล้วมันก็จุดไปเลยค่ะเออดีเห็นถูกแล้ว<ช>นะพัฒนาขึ้นแล้วแต่เดิมต้องเห็นกิเลสหยาบๆก่อนตอนมาขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วเดียขยับจะทําผิดศีลเรารู้ทันแล้วอย่างไปว่าเขาเดี๋ยวผิดศีลจะไปตีเขานี่ผิดศีลแค่ขยับนะัใจเราขยับจะทําผิดนะมันก็เห็นแล้วไหมศีลมันเกิดเองเราอย่เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาดี แล้วมีอีกเรื่องอะเจ้าค่ะก็คือตอนนั่งสมาธิเนี่ยสมัยก่อนก็คือจะบริกรรมพุทโธใช่ไหมเจ้าคะพอเดี๋ยวนี้บริกรรมพุทโธไปได้แ ป, ป๊บเดียวค่ะไม่ยอมบริกรรมแล้วไปดูลมหายใจเออเราก็ไม่ว่ามันมันอยากรู้ลมก็รู้ไปแต่ว่าอย่าให้จิตเป็นนิ่งอยู่กับลมก็แล้วกันอ๋อมันไม่นิ่งอะเจ้าค่ะมันเห็นไหลไปเห็นเป็นภาพเจ้าค่ะเหมือนภาพภาพดูโทรทัศน์เออแต่ว่าใจเราอย่าถลำไปอยู่ในจอโทรทัศน์นั้นนะให้เราดูอยู่ห่างๆอย่าให้เราเผลอเข้าไปอยู่ในจอ เหมืนเราดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยอย่าให้ใจเราไหลเข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่าถ้ามันไหลไปเรื่อยๆ เ, เราจะเหมือนคนหลับเราจะหลงเข้า ไ, <ๆ>ไปใช่เราจะหลงไปอยู่ในโลกโของความปรุงแต่งโลกของความคิดใจมันไหลไหลนี่มันมันปรุงของมันนนะเราดูอยู่ห่างๆอย่าตามมันไปแต่ว่าอย่าไปฝืนมันไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันจะต้องอยู่ห่างๆอย่างเงี้อย่างนี้ฝืนมากไปแค่รู้ทันว่าใจไหลเข้าไปพอรู้ว่าใจไหลมันจะขึ้นมาเอง <backdrop> <Jana. S 1> แต่ถ้าเห็นไหลแล้วพยายามไปดึงขึ้นมาเนี้ยใจจะแน่นๆอย่างงี้ไม่เอา แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อแนะนําเขาก็เลยไปนั่งทําเองแล้วก็เปิดซีดีหลวงพ่อไปทํามีอยู่ครั้งหนึ่งก็นั่งบริกรรมไปค่ะเขาก็อ่านดูลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจดูไปสักพักนึงอยู่ๆมันก็เหมือนกับมมันรู้สึกไปเองค่ะว่าทั้งตัวเนี่ยมันไม่ใช่ใชเราไมรมันเหมือนเป็นตัวอะไรไม่รู้เป็นก้อนเลยมันมนั่งดูแล้วก็เหมือน ม, ม, มีอีกดวงจิตหนึ่งไปฟังหลวงพ่อแล้วมันเห<ๆ>มือนก็ขยับ ก, กลับมาแอบดูตัวเองแล้วก็ไปดูหลวงฟังหลวงพ่อแล้วกลับมาอย่างนี้ค่ะ ดีดนะพอนา <ะ S 2> <นะ S 1> ดีเอาคุณชัดคุณชัดอ่ะคนอ้อเดี๋ยวเลยคนนึงอ่ะว่าไปเมื่อเขาขอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปเดินตรงกรมเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นนะมผมไปเดินมันก็เละเดินแล้วมันก็เละแล้วก็เลยไม่ทราบว่าไอ้อจิตตั้งมั่นที่เราคุณชัดรู้สึกไหมคราวนี้จิตตั้งมั่นมากกว่าคราวก่อนในในสภาพ อย่างไรฮะที่ท uh, ี hmm. <OK> um ่ว hmm. so, kind of like. um, uh, right. ่ามันตั้งมั่นรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักครับอ่าขณะนี้ฟุ้งซ่านน้อยกว่าแต่ก่อนรู้สึกไหมอ๋อครับเนี่ยมันตั้งมั่นขึ้นมัมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ลืมเนื้อลืมตัวเห็นไหมแต่เดิมมันฟุ้งซ่านมันก็ดูกายดูใจไม่ออกครับแต่นี้มันไม่ได้ฟุ้งซ่านไปเราไปเดินเดินได้ผลแล้วเห็นไหมครับเนยใจมันตั้งมั่นใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดีขึ้นแล้วนี่ครับ อย่างนี้รู้สึกไหมใจมีพลังใจมีพลังมากกว่าครั้งก่อนแล้วมันมีพลังอย่างนี้นะเราก็คอยรู้สึกไปเรื่อยแต่อย่าไปบังคับให้นิ่งค่อยรู้สึกเล่นๆอย่างตอนนี้ใจหนีไปเราก็รู้ใจหนีไปแล้วฝึกความเรามีแรงนะเราก็เห็นจิตมันทํางานเห็นกายมันทํางานดูไปเรื่อยไม่มีเราสักอันเดียวเบอร์ห้าบสามไปข้างหลังข้างหลังครับน้ำมศการหลวงพ่อครับผมขอโอกาสรายงานการปฏิบัติครับ ผมฟังเสดีหลวงพ่อมาปีกว่าครับแล้วก็ปฏิบัติตามครั้งแรกก็ปฏิบัติได้คิดว่าดีครับเพราะว่าเห็นจิตเคลื่อนไหวเร็วมากครับแต่พอตอนหลังมันกลับกลับไม่ค่อยดีครับมันมันหายไปได้เองเออไม่ปแปลกนะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เราภาวนาเราปฏิบัติไปเนี่ยบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมปัญหาอยู่ที่ว่าเราเป็นกลางไหมกับความเจริญและความเสื่อม เวลาที่มันจเจริญแล้วเราหลงดีใจเรียกว่าเสียท่าไปละเวลามันเสื่อมเราหลงเสียใจนะก็เสียท่าไปละแต่ถ้ามันมันเสื่อมไปเราก็รู้เออเสื่อมแกเสื่อมไปเราเป็นกลางนะไม่ดีใจไม่เสียใจใช้ได้ละใจ<ช>เราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางกับทุกๆสภาวะแล้วภาวนาจนเราเป็นกลางกับท <ia> ุกๆสภาวะยกลางอันนี้โดยที่ไม่ได้บังคับให้เป็นกลางมันเป็นกลางของมันเองนะจิตใจของคุณมันไม่ค่อยดิ้นรนคุณรู้สึกไหมครับนะ มันดีนะใช้ได้ละหลวงพ่อครับแล้วเวลาที่กระผมนั่งสมาธิแล้วจิตมันมารว ม, มรวมแล้วก็เย็นหายตัวผมหายไปหมดมแล้วก็มีแค่ความรู้สึกครับถูกต้องแล้วเวลาที่ไปสอนนักเรียนนี่จะมีความสุขอยู่เป็นอาทิตย์ครับ อ, อ, ยอย่างนี้มันคืออะไรครับอย่างนี้มันเป็นสมาธินะแล้วเป็นสัมมาสมาธิด้วยเวลาที่จิตรวมนะรู้เนื้อรู้ตั ว, ต, วตลอดเลย บางทีร่างกายหายไปโลกราแทหายไปนะแต่ตัวรู้ยังอยู่มีตัวหนึ่งรู้รู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นแหละไม่หายไปะต้องอย่างนี้นะจะเป็นมสมาธิที่ดีแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับหลวงพ่อที่ผมไปติดอยู่ที่สถานีขส่งสายใต้ครับแล้วก็รอรถอยู่เป็นวันผมก็ปฏิบัติตรงนั้นอมแต่แต่เวลาที่เขาเปิดทีวีฮะอยู่บนรถทัวเหมือนกับว่าผมผมไม่ได้เข้าไปแสดงหนัง<อ>ทุกครั้งที่ดูหนังจะจะไม่ใช่แบบนี้จะเข้าไปเล่น ไปแข่งรถไปอะไรกับข่าว<อ>แต่ว่าดูครั้งนั้นนีไ่ไม่ได้เป็นพระเอกเลยเ<อ>ดูชูชืช้อเฉยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าภาวนาล่ะแต่วันรุ่งขึ้นอาการแบบนี้มันก็หายไปหมดเลยเพราะมันไม่เที่ยงนะมันเป็นก็ช่างนะไม่เป็นก็ช่างมันเป็นขึ้นมาก็อย่าไปหลงดีใจมันหายไปก็อย่าไปเสียดายมันของทุกอย่างไม่ใช่เราหรอกเกิดขึ้นมาผ่านไปเกิดขึ้นมาผ่านไ ป, นไปทั้งสิ้นเลยดูอย่างนี้นะที่ภาวนาอยู่ดีมากมากเลย ให้คนหนึงคนสุดท้ายกับนวัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูอยากรู้ว่ามันเฉยเฉยกับหลายๆอย่างแต่ว่ามันมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งจะโกรธจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอยู่ในสภาวะที่เฉยเฉยไน่อยากรู้ว่าหนูไป ก, กดไวหรือเปล่าค่ะไม่ได้กดนะแต่เพียงแต่ตอนเนี้กดเมอมันตื่นเต้น <c oughs> แล้กดนึกออกไหม <c oughs> ที่ฝึกอยู่ ใ, ใช้ได้แล้ว อย่ากได้คําแนะนําจากหลวงพ่อนั่นแหละไปดูไปบ่อยดูไปอย่างนั้นแหละรู้ไปเรื่อยเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะสุขทุกดีชั่วเท่าเทียมกันหมดเลยใจเราเป็นกลางรู้ไปเรื่อยเื่อาเชิญโยมกลับบ้าน <ขอ S 1> ไป<อ>น่าฟังนะวันนี้ธรรมะที่แต่ละคนเอามาส่งกันบ้านหลวงพ่อดีใจด้วยนะ